งูนายกเทศมนตรีและพระอาตมาใช้ชีวิตเป็นพระในเมืองไทยนานกว่าแปดปีและใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในวัดป่าอาศายุยท่ามกลางงูทั้งหลาย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 เพราะหากมันชกใครคนคนนั้นจะมีโอกาสเหลือเพียงเก้าเดียวก่อนจะขาดใจตายงูจงอางตัวนั้นตรงมาที่พระผู้ใหญ่ชูหัวขึ้นในระดับเดียวกับศรีรษะของท่านแผ่แม่เบี้แล้วเริ่มต้นพ่นน้ำลายฟู่ฟูถ้าเป็นโยมโยมจะทำอย่างไร ไม่ต้องวิ่งไปให้เสียเวลาเปล่าหรอกเพราะงูใหญ่ขนาดนั้นสามารถไปเร็วกว่าโยมแน่สิ่งที่พระไทยองค์นั้นทำคือยิ้มแล้วค่อยๆ ย, ยกมือขวาของท่านขึ้นตบเบาๆที่หัวของเจ้า ง, งูจงอางตัวนั้นพร้อมกับกล่าวว่าขอบใจมากนะที่เจ้าอุตส่าห์มาเยี่ยมอาตมาพระทุกองค์เห็นเหตุการณ์นั้น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 รอใบอนุญาตจากเทศบาลอยู่นายกเทศมนตรีได้มาเยี่ยมวัดเราเพื่อจะดูว่าเรากําลังทำอะไรกันอยู่แน่นอนว่านายกเทศมนตรีเป็นผู้มีอานาจสูงสุดในมณฑนนั้นท่านเติบโตมาในทีน่นี้และเป็นเกษตรกรที่ประสบความสาเร็จแล้วท่านก็เป็นเพื่อนบ้านของเราด้วย ท่านมาในยุดสากลโก้เหมาะกับตำแหน่งนายกเทศมนตรีกระดุมเสื้อนอกไม่ได้ติดเปิดให้เห็นพุงไซ์ออสเทรเลนขนาดใหญ่มากซึ่งรั้งกระดุมเสื้อเชิดและยื่นออกมาเหนือกางเกงตัวที่ดีที่สุดของท่านพระไทยองค์นี้ท่านพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยแต่พอเห็นพุงของนายกเทศมนตรีก่อนที่อาตมาจะทันห้าม ท่านก็ตรงก็ไปหานายกเทศมนตรีและเริ่มต้นตบเบาๆที่พุงนั้นอาตมาคิดในใจว่าโอ้ยแย่แล้วเราจะไปตบพุงท่านนายกเทศมนตรีแบบนั้นไม่ได้คราวนี้การขออนุญาตก่อสร้างทั้งหลายต้องไม่ได้รับอนุญาตแน่เสร็จกันวัดเราจบเหตุซะแล้ว ยิ่งพระไทยตกเบาๆและรูปปุ่งโตๆของท่านนายกเทศมนตรีด้วยรอยยิ้มที่อ่อนโยนมากขึ้นเท่าใดท่านนายกเทศมนตรีก็ยิ้มแต่หัวเราะร่วนมากขึ้นเท่านั้นในไม่กี่วินาทีท่านนายกเทศมนตรีผู้ทรงเกียรติก็ส่งเสียงหัวเราะเอิกเอิกราวกับเด็กทารกเห็นชัดว่า